การศึกษาพระธรรมเนี่ยนะนะคำว่าศึกษาศึกษานั้นเป็นชื่อของสิกขาสามเป็นชื่อของอธิศีและสิกขาเป็นชื่อของอธิจิตตสิกขาเป็นชื่อเป็นชื่อของอธิปัญญาสิกขาศึกษาซึ่งเป็นชื่อของสิกขาสามส่วนคำว่าธรรมะเป็นชื่อของพระนิพพาน เป็นชื่อของพระนิพพานเป็นธรรมที่สงบทุกข์เป็นธรรมที่ดับทุกข์นั้นการศึกษาอาธิศีนอธิจิตอธิปัญญาที่ถูกต้องเป็นการศึกษาเพื่ออย่างลงสู่อมตะนิพพานเนี่ยนะสิกขาามทั้งอธิศีนอธิจิตอธิปัญญาเนี่ยนะทั้งสามประการเมื่อจําแนกไปแล้วก็คือโพธิปักจิยธรรมทั้งหลาย สติปทานสัมมาปทานอิธิบาทอินทรีย์พระโพชงหรือองค์มากก็ตามย่นยอ่อลงมาก็เหลือศิกขาสามสิกขาสามในพระศาสนาของพระพุทธเจ้าอย่างลงสู่นิพพานมีพระนิพพานเป็นที่สุดเนี่ยนะในการที่เราจะศึกษาอย่างนี้เนี่ยนะซึ่งเป็นการศึกษาศาสนาของพระพุทธเจ้า อธิศสนอธิจิตอธิปัญญาเนี่ยนะเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าบัญญัติขึ้นนะคําว่าบัญญัติหมายถึงว่าเอามาบอกแสดงแต่งตั้งเปิดเผยที่เรียกว่าเปิดประตูแห่งพระนิพพานสิกขาสามนั้นอีกชื่อหนึ่งก็คือประตูของพระนิพพานสิกขาสามนั้นเป็นชื่อของอริยมรรคเนี่ยนะที่เป็นประตูแห่งพระนิพพานดังั้นพวกเราทั้งหลายที่มาศึกษาพระธรรมก็คือศึกษา นะข้อปฏิบัติเพื่อยังลงสู่อมตะนิพพานทีนี้เจ้าของาศาสนาก็คือพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเป็นเรียกว่าเป็นโครงการของพระพุทธเจ้าที่พระองค์เนสั่งสมบา ร, รมีกว่าจะได้ตรัสรู้เนี่ยนะข้อปฏิบัติเพื่อให้เป็นพระพุทธเจ้าซึ่งพระองค์ก็ปฏิบัติจนได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์ก็เอามาแต่งตั้งเปิดเผยบอกผู้อื่นตามไปด้วย การที่เราจะมั่นใจในพระองค์จริงๆเนี่ยนะหรือจะมั่นใจในข้อปฏิบัติตามพระองค์จริงๆนั้นความรู้ในพระพุทธคุณเนี่ยเป็นตัวที่สำคัญที่สุดความรู้นะสคัญที่สุดสัมมาทิฏฐินี้สาคัญมากเพราะถ้าหากว่าเราเข้าใจไม่มากหรือขาดความรู้ในพระพุทธคุณทั้งหลายการที่เราจะปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์นี่คงเป็นไปได้โดยายากหรือแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย โดยเอาไปเอามาก็ไม่รู้ว่าศึกษาคำสอนของผู้ใดศึกษาข้อปฏิบัติของผู้ใดก็ไม่ทรบาบเอาเป็นว่าไปเก็บคำของคนนั้นมนิดเก็บคำของคนนี้มหน่อยผสมผสานกันไปก็กลายเป็นอีกสูตรใหม่เป็นสูตรของใครบอสูตรของข้าพเจ้าเอ ง, องเขาบอกได้มายังไงก็ได้มาจากคนนั้นนิดได้มาจากคนนี้หน่อยเก็บเล็กผสมน้อยบวกๆ ก, กันเลยได้สูตรพิเศษ ก็เปรียบเหมือนว่าไปเก็บตัวยาจากที่ต่างๆมานะเก็บยาจากตรงนั้นนิดตรงนี้หน่อยสูตรแผนปัจจุบันบ้างโบราณบ้างเอามาคละเคล้ากันไปผสมอัดเม็ดกินเข้าไปเนี่ยนะนะไม่รู้ว่ามันจะหายโรคหรือเปล่าก็ไม่ทราบชั้นใดก็ดีการศึกษาพระธรรมเนี่ยน ะ, ะศึกษาสามหรืออริยมรรคที่พระองค์ตรัสเปรียบเทียบอุปมาประดุจยานะอริยมรรคนี้เป็นเช่นกับยา ยาอันนี้เนี่ยเราต้องพยายามที่จะมั่นใจว่าเป็นยาของพระพุทธเจ้าถ้าไม่ใช่ยาของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะดับทุกข์ไม่ได้จริงหรอกสงบทุกข์ไม่ได้จริงๆงมันทํำยังไงที่เราจะเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องว่าเออนี่เป็นของพระพุทธเจ้าจริงๆเลยนะไม่พลาดแน่นอนเนยนะอันหนึ่งที่จะทําให้เราเข้าใจคําสอนโดยที่ไม่ผิดไม่พลาดแล้วก็แน่นอนเลยก็คือความเข้าใจใน พระพุทธคุณทั้งหลายตั้งแต่อรหังเนี่ยนะพระอรหันตะคุณสัมมาสัมพุทโธในภาวะแห่งความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะพระภาวะที่โปรง่งเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวิชาและจรณนะคือสรุปว่าเราเข้าใจคุณของพระองค์เท่าใดเราจะเข้าใจข้อปฏิบัติที่เป็นาศาสนาของพระองค์มากขึ้นเท่านั้นเมื่อวานเราได้พูดพุทธคุณบทว่าอารหัง อารหังวันนี้ก็จะมาขึ้นสัมมาสัมพุโทโธบ้างนีนะพระพุทธเจ้าผู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการศึกษาพระพุทธคุณเนี่ยนะจริงๆแล้วเสริมข้อปฏิบัติเพื่อให้เป็นพระโสดาบั น, นนะข้อปฏิบัติเพื่อความเป็นพระโสดาบันเราคงไม่ลืมกันใช่ไหมว่าหนึ่งคบสัตบุรุษคบสัตบุรุษในที่นี้หมายว่าคบพระพุทธเจ้าสองฟังธรรมของ สัตบุรุษคือฟังธรรมของพระพุทธเจ้าสามโยนิสโสมรัิการไข้ ค, รครวรพินิจพิจารณาเพ่งใส่ใจในคําสอนของพระพุทธเจ้าอย่างที่สี่ก็คือปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมหรือปฏิบัติธรรมสมควรแก่มรรคผลที่พระองค์บอกหมายถึงว่าข้อปฏิบัติเช่นใดจึงจะคู่ควรแก่การเป็น พระโสดาบันโยนิโสมนสิการอย่างไรปฏิบัติแค่ไหนใส่ใจอย่างไรจึงจะได้เป็นพระโสดาบันท่า น, นการคบสัตว์บุรุษเนี่ยนะโดยเฉพาะสัตว์บรุษคือพระพุทธเจ้าจวบมาปัจจุบันนี้ถ้าโดยรู ป, ปกายหรืออะไรบ้างตอนนี้เหลือพระาธาตุเนี่ยนะเหลือพระาธาตุให้กราบให้ไหว้ซึ่งจากพระาธาตุแล้วเราเพ่งถึงพระพุทธคุณเลยได้ไหม ก็นับว่าค่อนข้างยากนะนะ่ะดูจากพระาธาตุนอกจากว่าความยิ่งใหญ่เออพระพุทธเจ้านี่คงยิ่งใหญ่จริงๆก็ดูสิแม้แต่ที่เก็บพระาธาตุของพระองค์ก็ยังยิ่งใหญ่ก็คงเห็นได้เท่านี้ส่วนอย่างอื่นๆอีกนี่ก็ไม่ได้อะไรเลยเนี่ยนะนะนอกจากเสียว่าเราศึกษาพระพุทธคุณต่างๆให้เข้าใจให้ดีๆเราจึงจะเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลที่น่า อัศจรรย์เป็นบุคคลที่พิเศษเป็นบุคคลที่ไม่มีใครเสมอเหมือนเป็นบุคคลที่ไม่มีผู้ใดเปรียบไม่มีผู้ใดเทียบพระองค์ไดนะ้การที่เราจะเข้าใจได้อย่างนั้นจริงๆเนี่ยก็คือความรู้ในพระพุทธคุณความรู้ในพระพุทธคุณเนี่ยนะความรู้ตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นทรพทัพย์ที่ที่มีความสำคัญมากทรัพย์คือปัญญาคือกรรมสกตาปัญญากรรมสกตาปัญญาเนี่ยมีทั้งหมด10บข้อหนึ่ง เช่นว่ารั้วการให้ทานมีผลการรักษาศีลมีผลผ ล, ผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วมีอยู่จริงการทำดีกับพ่อแม่เนี่ยมีผลหมายความว่าพ่อแม่เนี่ยมีพระคุณแล้วก็ตลอดจนถึงโอปปาติกะมีแต่ข้อสุดท้ายก็คือว่าสมณะพราหมณ์ผู้ทำโลกนี้ให้แจ้งชัดด้วยปัญญาอันยิ่งแล้วสอนบอกกล่าวสั่งสอนผู้อื่นซึ่งหมายถึง พระพุทธเจ้านั่นเองนะนะท่านเราจะคบพระพุทธเจ้าได้มากก็คืออยู่ที่การศึกษาในพระพุทธคุณเนี่ยนะพยายามที่จะใส่ใจว่าทำไหงความรู้ความเข้าใจในพระพุทธคุณที่ยังไม่เกิดจะได้เกิดขึ้นที่ยังไม่มีก็จะมีขึ้นทําอย่างไรความเข้าใจในพระพุทธคุณที่มีอยู่แล้วให้เจริญ ง, งอกงามไพบูร์เนี่ยนะให้เพิ่มความรู้เพิ่มความเข้าใจเนี่ยให้ยิ่งยิ่งขึ้นไป ผู้ที่ศึกษาพระธรรมเนี่ยนะต้องใส่ใจไว้เลยว่าปีนี้เราต้องรอบรู้ในพระพุทธคุณของพระพุทธเจ้ามากกว่าปีที่แล้วนะปีนี้จะต้องรอบรู้มากกว่าเมื่อสามปีที่แล้วห้าปีที่แล้วสิบปีที่แล้วแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือบอกว่าสองปีข้างหน้าสามปีข้างหน้าหรือปีต่อต่อไปเราจะเข้าใจพระพุทธเจ้าเพิ่มขึ้นอีกไหม น, นะมุมมองของเราที่มีต่อพระพุทธเจ้า กว้างขวางขึ้นอีกไหมเนี่ยนะโลกัศน์คือความเข้าใจในพุทธคุณเนี่ยยิ่งยิ่งขึ้นไหมเนี่ยนะเข้าใจฉลาดขึ้นมากไหมแค่ไหนแล้วก็อย่างไรเพราะว่าข้อปฏิบัติเพื่อความเป็นพระโสดาบันอย่างไรเสียยังไงก็ต้องทำความเข้าใจในพระพุทธเจ้าเพราะความเป็นพระโสดาบันมีเฉพาะในศาสนาของพระพุทธเจ้า ความเป็นพระสโสดาบันมีเฉพาะในาศาสนาพระพุทธเจ้าความเป็นพระสกะทาคามีอนาคามีและเป็นพระาดหันซิ่งเหล่านี้มีอยู่เฉพาะในาศาสนาของพระพุทธเจ้าเท่านั้นทีนี้เราจะเข้าใจในความเป็นพระสโสดาบันเมื่อเราเข้าใจในพระพุทธคุณเนี่ยนะเข้าใจในพระพุทธคุณถามว่าทำไมจึงทุกอย่างจึงโยนให้พระพุทธเจ้าก็เพราะว่ า, าศาสนาของพระพุทธเจ้าไม่ใช่าศาสนาของ บุคคลอื่นเนี่ยนะก็มีลทัทธิออกมาใหม่ๆบอกว่าไม่มีความจําเป็นที่จะต้องรู้จักพระพุทธเจ้ารู้จักแค่พระธรรมก็พ อ, อนะเมื่อรู้จักพระธรรมแล้วก็พออย่าไปยึดอย่าไปติดอย่าไปถืออย่าไปคล้องในพระพุทธเจ้าคําพูดอันนี้ล้มศาสนาโดยตรงเนี่ยนะซึ่งอาศักดิ์บุตรทั้งหลายผู้ไม่มีสาระฟังแล้วก็เห็นด้วยเนี่ยนะก็เหมือนกับว่าคนกําพร้าทั้งหลายเนี่ยฟังคําว่าไม่มีพ่อแม่เนี่ยบอกว่า พ่อแม่ไม่เห็นมีความจําเป็นเลยคนกําพาราบางคนออกมาพูดอย่างนี้นะกําพา้าอีกคนหนึ่งก็บอกว่าเออใช่ใช่ใ ช, ใช่นี่สิเราไม่เห็นมีพ่อแม่เราก็ยังอยู่ได้เนี่ยนะก็กลายฉันใดผู้ที่ไม่มีพระาศาสนาทั้งหลายก็เหมือนกันยิ่งในยุคปัจจุบันเนี่ยก็กลายเป็นว่าไม่จําเป็นที่เราต้องนับถือพระพุทธเจ้าเราเข้าถึงแค่พระธรรมก็พอซึ่งพระธรรมของเขาคืออะไรก็ไม่ทราบเนี่ยนะซึ่ง เมื่อกี้เนี่ยเราสรรเสริญพระธรรมคุณนะพระธรรมคุณนี่คืออะไรพระธรรมในที่นี้คือปริยัติอริยมรรยผลและพระนิพพานปริยัติธรรมเนี่ยเป็นคําของพระพุทธเจ้าเมื่อเป็นคําของพระพุทธเจ้าถ้าเราไม่รู้จักพระพุทธเจ้าไม่เข้าใจพระพุทธคุณ เ, เรารู้หรือว่าคําเนี่ยพระพุทธเจ้าพูดเนี่ยหมายความว่าอย่างไรคนที่ เคยรับคําสั่งงานเยอะๆหรือคนที่เคยสั่งงานเยอะๆเนี่ยนะถ้าไม่เข้าใจอัธยาศัยของผู้สั่งหรือผู้ที่ถูกสั่งเนี่ยถามว่าคําสั่งอันนั้นเนี่ยจะเป็นไ ป, เ ป, นไปเป็นไปตามความประสงค์ของผู้สั่งเป็นต้นไหมบอกก็ยากอย่างสมมุติท่ายางว่าไปรับคําสั่งโดยที่ไม่รู้ว่าผู้สั่งเขาต้องการอะไรเนี่ยนะเราจะเข้าใจเข้าไหมอย่างสมมติว่าผู้สั่งเขาบอกโอ้ซสื้อก๋วยเตี๋ยวมาให้ถุงหนึ่งสิไปเอาร้านไหนก็ไม่รู้ที่ไม่สมความประสงค์ของ ผู้สั่งหรือสั่งยาออกไปเนี่ยนะอาจจะไม่สมความประสงค์ของผู้สั่งก็ได้ชั้นใดพระธรรมก็เหมือนกันเนี่ยนะโดยเฉพาะปริยติธรรมเนี่ยถ้าเราไม่เข้าใจทราบซึ้งในพระพุทธคุณยากยากที่จะเข้าใจว่าเออเนี่ยเป็นพระธรรมของพระองค์จริงๆนะเขาบอกว่าของแท้ขนาดแท้ต้องเป็นของพระพุทธเจ้าเท่านั้นจึงจะผลทุกข์ถ้าเป็นของบุคคลอื่นจริงอยู่อาจจะปิดอบายได้สักชาติหนึ่งเนี่ยนะ อาจจะเป็นเหตุให้ไปสู่สุคติโลกสวรรค์ได้แต่ไม่ได้รับรองไม่ได้รับประกันว่าจะเป็นเป็นเหตุให้บรรลุมรรคผลนิพพานเพราะว่าคำสอนของคำสอนที่สอนให้บรรลุมรรคผลนิพพานที่ถูกต้องแท้จริงนั้นต้องเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะย้อนกลับมาเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยนะโดย ท, ทั่วไปจะเพิ่มคาอีกคำหนึงคือสัมมาสัมพุทธเจ้า พุทธเนี่ยนะสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะพุทธเจ้าพุทธพุท ธ, ท ธ, ทธตัวนั้นก็คือพระองค์ตรัสรู้สัจธรรมเนี่ยนะแต่ถ้าเพิ่มคําว่าสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยหมายถึงพระองค์เป็นผู้ตรัสรู้ธรรมทั้งปวงไม่มีอะไรที่พระองค์ไม่รู้รอบรู้สรรพสิ่งเรียกว่าความเป็นสัพพันญูดํารงอยู่ในภาวะแห่งพระสัพพันญู พระสภาวะแห่งสัพพัญยูของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็คือรอบรู้สรรพสิ่งตอนนี้ถ้าเราจะเปรียบเทียบพระองค์ก็คงจะเปรียบเทียบกับแสงสว่างเนี่ยเขาบอกว่าดวงอาทิตย์ส่องสว่างในตอนกลางวันดวงจันทร์ส่องสว่างในตอนกลางคืนพระพุทธเจ้าผู้มีจักสุส่องสว่างทั้งกลางวันและกลางคืนอันนี้ในหนึ่งหรืออันหนึ่งถ้าหากว่าเราจะเปรียบว่าพระพุทธเจ้าก็ส่องแสงสว่างหรือพระองค์มีปัญญาเช่นกับ ดวงอาทิตย์เนี่ยนะเป็นผู้ที่มีปัญญามากมีปัญญาหาที่สุดไม่ได้พระองค์ เ, เรียกว่าผู้ดำรงอยู่ในภาวะแห่งพระสัพพันยุพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะคิดง่ายๆเลยก็คือบอกว่าไม่มีสิ่งใดที่พระพุทธเจ้าไม่รู้ภาวะที่ไม่รู้ไม่มีอยู่ในพระพุทธเจ้าทีนี้ถามว่าพระองค์รู้อะไรบ้างรู้สังคตะธรรมและ อสังคตะธรรมรู้สังคตะธรรมคือสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งทุกชนิดและรู้ว่าธรรมที่ดับสังคตะธรรมคืออะไรรู้พระองค์รู้ว่านรกคืออะไรและธรรมะที่จะดับไม่ให้เกิดในนรกคืออะไรพระองค์รู้จากเปรตพระองค์รู้ว่าดับเปรตเนี่ยดับอย่างไรคือไม่ต้องไปเกิดเป็นเปรตหรือไม่ได้บอกให้เปรตไปฆ่าตัวตายนะแต่ดับจากภาวะของเปรตเนี่ยทำอย่างไร พระองค์รู้ว่าการเกิดเป็นเดรัชานเนี่ยเป็นอย่างไรทมเหล่าใดที่ทำให้พ้นจากการเกิดเป็นเดรัชาเมื่อตรัสรู้ทำใดแล้วจึงพ้นจากการเกิดเป็นเดรัชาวัตทุทุกทั้งหลายเป็นอย่างไรธรรมะที่ดับวัตทุทุกทั้งปวงนี้เป็นอย่างไรที่เรียกว่าพระองค์ ok รู้จักสังคตะและธรรมที่ดับสังคตะพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่รู้จักไฟและรู้ว่าไฟเนี่ยดับอย่างไรอะไรเป็นสิ่งที่ ดับไฟพระองค์รู้จักชรา ม, มรณะพระองค์รู้ว่าความดับชรา ม, มรณะคืออะไรพระองค์รู้ว่าการเกิดในภพเนี่ยมันเป็นทุกข์พระองค์รู้ว่าภาวะการดับไม่ให้เกิดในภพ เ, เนี่ยนะมันเป็นสุขอย่างไรพระองค์พระองค์รู้อันนี้คือภาวะที่ภาวะของพระสัพพัญญูพุทธเจ้าถ้าไม่ไม่ใช่วิสัยของพระสัพพัญญูพุทธเจ้ายากเนี่ยนะ แม้แต่ว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยถ้าโดยปกติเนี่ยนะเชื่อไหมความทุกข์ที่พระองค์บอกว่านี้ทุกสัตว์ทั้งหลายบอกว่านี้เป็นความสุขคิดตรงกันข้ามพระพุทธเจ้าบอกว่าทุกข์นี้ควรควรปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์สัตว์ทั้งหลายบอกตรงกันข้ามควรสร้างเหตุให้เกิดทุกข์ให้มากๆกว่าแค่ธรรมดาทั่วทวไปก็คิดมีความคิ ด, คดมีความเห็นที่ขัดแย้งกันแล้วตั้งแต่เบื้องต้น